لي لي من من พวกเจ้าไม่ได้ฆ่าพวกเขาแต่ทว่าล้อตัางหากที่ส่งฆ่าพวกเขาและพวกเจ้าไม่ได้คว้างพวกเขาดอก ขณะที่เจ้าควา่างแต่ทว่าอาลัลลอฮ์ตัางหากที่ควา่างและเพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบบรรดาผู้ที่ศรัทธาอย่างดีงามจากพระองค์แท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้สรงรอบรู้าลวอดนั่นแหละคือการตอบแทนอย่างดีงาม และแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทำให้อุบายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอ่นนอนแออิติูฟดจัคุลฟัห์อิตฟะฮุลลกุมอิตูนตุ كم, นคุมฟิอตุุมชยอ رت, วะอลกรต์ و أ ل ه م ع ุ ل م ؤ หากพวกเจ้าขอให้มีการชี้ขาด แน่นอนการที่ขาดนั้นก็ได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วและถ้าหาพวกเจ้าหยุดยัง้งมันก็เป็นการดีแก่พวกเจ้าและหาพวกเจ้ากลับไปทำการลุกรานอีกเราก็จะกลับไปช่วยให้พวกเจ้าแพ้อีกพรรคพวกของเจ้านั้นไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์อย่างใดให้แก่พวกเจ้าได้เลยและแม้ว่าพวกเขาจะมากมายก็ตามและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาทั้งหลาย ول โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเชื่อฟัง Allah และรอสูนของพระรงองค์เถิดและจงอย่าผินหลังให้แก่ท่านขณะที่พวกเจ้ากำลังฟังกันอยู่ ลัวพวกเจ้าจงอยาเป็นเช่นบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้วในขณะเดียวกันพวกเขาหาได้ยินไม่เอนชั่นชรดเดวับยินดัลลอฮิซุมุลบุคมุลลัฎนแท้จริงสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่งนอัลลอฮ์นั้นคือที่หูหนวก เป็นใบซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาแล้วหาก Allah ส่งรู้ว่าในตัวพวกเขานั้นมีความดีแน่นอนก็จะส่งให้พวกเขาได้ยินและหากพระองค์ส่งให้พวกเขาได้ยินแล้วแน่นอนพวกเขาก็ผิดหลังให้โดยที่พวกเขา เป็นผู้ที่ชอบผินหลังให้อยู่แล้วโอ้ผู้สรัทธาทั้งหลายจงตอบรับอัลลอฮ์และราสูงเถิด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 และพระองค์ทรงให้พวกเจ้ามีที่พักพิงและได้ทรงสนับสนุนพวกเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์และได้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์ وا โอผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงอย่าทุจริตต่ออัลลอฮ์และรอซูลและจงอย่าทุจริตต่อบรรดาของฝากของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าก่อรูดิย์และเป็นรู้เถิรว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้น เป็นสิ่งทดสอบอย่างหนึ่งเท่านั้นและแท้จริงอัลลอ์นั้นนะที่พระองค์มีรางวัลอันใหญ่หลวง ت ت โอ ه, ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย หากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอ์และพระองค์ก็จะทรงให้มีแก่พวกเจ้าสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงและความเท็จและจะทรงลบล้างความผิดของพวกเจ้าออกไปจากพวกเจ้าและจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วยและอัลลอ์นั้นคือผู้ทรงมีบุญคุณอันใหญ่ห ล, ล, ล ك, วง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 เราก็พูดเช่นนี้แล้วสิ่งนี้ใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นถ้อยคำของคนสมัยก่อนก่อนที่ถูกขีดเขียนไว้เท่านั้นและจงรำลึกถึงขนาดที่พวกเขากล่าวว่า โอ้เอัลหรอหากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริงที่มาจากที่พระองค์แลวไซก็โปรดได้ทรงให้หินจากฟ้าฟ้ า, กากตกลงมาดังฝนแก่พวกเราเถิดหรือไม่ก็โปรดทรงนำการลงโทษอันเจ็บแสบลงมาแกเรา และพระองอลัลลอฮ น, นั้นจะไม่สรงลงโทษพวกเขาขณะที่เจ้าอยู่ในหมู่พวกเขาและอลัลลอฮจะไม่เป็นผู้สรงลงโทษพวกเขาโดยที่พวกเขาขออภัยโทษต่อพรุง่ง َمَا لَهُمْ يُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا لَا اللَّهُ كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ أَنْ يَصُدُّونَ عَنِ أَوْلِيَاءُهُ الْمُتَّقُونَ أَكْثَرَهُمْ كِنَّ และไม่มีอะไรแก่พวกเขากระนั้นหรือที่ลอดจะไม่ส่งลงโทษพวกเขา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 มีปรากฏว่าการละหมาดของพวกเขาณบ้านของอัลลอ์นั้นเป็นอย่างอื่นนอกจากเสียงหวีดและการตบมือเท่านั้นดังนั้นพวกเจ้าจงลิมรสการลงโทษเถิดเนืน่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาอินันแลดีนากฟรูยุฟกูนอํวาลหุมลีศดูอันสบีลิลลา ฟัสยุ่งฝึกน์เธอทั้งมาต้องคุณอะลัยน์หัศร์ทั้งมายุ่งลบูนวัลล์ดีนคัฟร์รุ่นกปออจหนนไม่ยุ่งฝึกนป ภายหลังทรัพย์สินนั้นก็จะกลายเป็นความเสียใจแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะรับความปราชัยด้วยและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัานั้นพวกเขาจะถูกต้อนไปสู่นรกยานาลิยามีซัลลอฮุลขับิ ثا من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه อั ي ع فيجعله في ج น ن ม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 จงกล่าวเถิดมุหัมมัดแกบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่าหากพวกเขาหยุดยั้งการกระทำที่แล้วมาก็จะถูกรับการอภัยโทษและหากพวกเขากลับมาต่อต้านอีกแท้จริงแนวทางของคนก่นอนๆนั้น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 ถ้าหากพวกเขาหยุดยัง้งแน่นอนอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเขากระทําวำและหากพวกเขาผินหลังให้โดยไม่หยุดยัง้งก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกเจ้าผู้ทรงคุ้มครองที่ดีเลิศ และผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม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 เป็นของอัลลอฮ์และเป็นของรอซูลและเป็นของญาติที่ใกล้ชิดของท่านรอซูลและบรรดาเด็กกําพรา้าและบรรดาผู้ขัดสนและผู้เดินทางหากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่เราได้ลงมาแก่บ่าวของเราในวันแห่งการจําแนกระหว่างการศรัทธาและการปฏิเสธคือวันที่สองฝ่ายประเจ น, น้ากันและอัลละฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง إذ أتوا بالعدوة الدنيا وهو بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرك ا ن مفعولا ليهلك من هلك عبئته ويحيى من حيى عبئنا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 เพื่อว่าผู้พินาศผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้พินาศลงโดยหลักฐานอันชัดแจ้งและผู้มีชีวิตอยู่ผู้ศรัทธาจะได้มีชีวิตอยู่โดยหลักฐานอันชัดแจ้งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อินยูริคหฮุมุลลอฮฺฟีมะนามิกะกุลีลาวะลาอูราค์หฮุมกัฟิรัลลฟชิลตุม จงดําลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ทรงให้เจ้าฝันเห็นพวกเขามีจํานวนน้อยและหากว่าพระองค์ทรงให้เจ้าเห็นพวกเขามีจํานวนมากแล้วไซแน่นอนพวกเจ้าก็ย่อมย่อทอกันและขัดแย้งกันในเรื่องนั้นแต่ทว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้ปลอดภยัย แท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในสูงกบและจงดำลึกถึงขนาดที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นพวกเขามีจำนวนน้อย ในสายตาของพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากันและทรงให้พวกเจ้ามีจำนวนน้อยในสายตาของพวกเขาเพื่อที่อลัลลอฮ์จะทรงให้งานหนึ่งเสร็จสิ้นไปซึ่งงานนั้นได้ถูกกระทำไว้แล้วและยังอลัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปอาม و َاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ل َ ع َ لَكُمْ تُفْلِحُونَ โอ้พูดสถาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าพบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จงยืนหยัดต่อสู้เถิดและชงรำลึกถึงอัลล่ะมากๆเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสําเร็จวَาตี عوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَرِ ี ْح และจงเชื่อฟังอัลลอ์และรอศูล์ของพระองค์เถิดและจงอย่าขัดแย้งกันจะทำให้พวกเจ้ายออ่อท้อและทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไปและจงอดทนเถิดแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนทั้งหลาย และจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาไปด้วยความหยิ่งผยองและโอ้อวด ผู้คนและขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์แล k k <S <S <ess> ้วอัลลอฮ์นั้นได้ทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากำลังกระทำกันอยู่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 ที่ได้รวมผู้คนเหล่านี้นั้นคือศาสนาของพวกเขาเองและผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอะ์แท้จริงอัลลอฮ์ น, นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชายาว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 นั่นก็เนื่องจากสิ่งที่มือพวกเจ้าได้กระทมไว้ก่อนและลอนั้นไม่ใช่เป็นผู้อารรมแก่บ่าวทั้งหลาย เช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิโอธและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาโองการของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ได้ส Allah, ihn, en, ien, 1971, Clone, ่งลงโทษพวกเขานึ่งด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาเองแท้จริง Allah นั้นเป็นผู้ทรงพลังและผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษนั่นก็เพราะว่าอ l l a h ไม่ได้เป็นผู้ทรงเปลี่ยนแปลงความกรุณาใ ด, ดๆที่พระองค์ได้ทรงประทานมันแก่กลุ่มชนหนึ่ง จนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาเองและแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้。 เช่นเดียวกับสภาพของวงวานฟิรูนและบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาและเราก็ได้ทําลายพวกเขาเนื่องโดยความผิดของพวกเขาเองแล้วเราได้วงวานฟิรูนจมน้ําตายซึ่งทั้งหมดนั้นเคยเป็นผู้อาถม ถ้าจริงสัตว์โลกที่ชั่วร้ายยิ่งณที่อัลลอฮนั้นคือบรรดาผู้เนรคุณดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธาท่านผู้ศรัทธา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 และถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการทุจริตจากพวกหนึ่งพวกใดก็จงโอนสัญญา ก, กลับคืนให้แก่พวกเขาไปโดยตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกันแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ทุจริต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 وأعدو لهم ما استطعتم من قوة و م ر ّ ب ا ِ الخيل تُظهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم و آ خ ر ي ن من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 แต่เอาล้อทรงรู้จักพวกเขาดีและสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคไปในทางขอรนั้นสิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรมเลยและหาพวกเขาโอนอ่อนมาเพื่อการปรนีประนอมแล้ว เจ้าก็จงโอนอ่อนตามเพื่อการนั้นด้วยและจงมอบหมายแดดเอาลอดเอถิดแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ا أ ز ز และถ้าหาพวกเขาต้องการที่จะหลอกลวงเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่เจ้าแล้วพระองค์คือผู้ที่ได้การสนับสนุนเจ้าด้วยความช่วยเหลือของพระองค์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 อีย์คุณมิคุม๒๐นซับรุ่น ر ُหลบู๑๐๐ว่าอีย์คุมมิคุม๑๐๐ย่หลบู๑๐๐๐َ๐๐๐๐๐َ๐๐๐๐๐๐๐َ๐๐๐๐๐๐َ๐ْ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ใจผู้สั๐๐าทั้งหลายในการสู้รบเ๐ิด หากปรากฏว่าในหมู่ของพวกเจ้ามียี่สิบคนที่อดทนก็จะชนะสองร้อยคนและหากปรากฏว่าในหมู่พวกเจ้ามีร้อยคนก็จะชนะพันคนในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขาเป็นพวกที่ไม่เข้าใจออออาาลคฟัฟุลล كم, ุมมมวะ น, นี